ตอนเช้าไปถึงตอนนี้ใครเห็นอะไรในตาในใจของเราเองว่าเห็นอะไรว่างยิ้มเกิดยิ้มตะกายตะใจแต่ก้าโมงมไดถึงตอนนี้ดีเลย ชอคิดชอบพุดคเอ่เป็นชอบความคิดมันชอบคุดเยอะมากไหมบ่อยๆนะนาทีเดีนี้ถ้าขีดครั้งไหมไม่ได้นอนปรหามหรว่ารู้สึกด้รู้สึกได้ไดมาเยอะเนาเขาเคยมีวิจัยก็ อาจจะมีเครื่องมืออาจจะเขาอาจจะเขาหลังเขงกผมคิดว่าความคิดกับสมองมนะันคงมีคันกันก็ากเอาเครื่องมือตรวจเช็คดีสมองของเราว่าวันวัน น, นึงถ้าแต่ถ้าแต่นอนจะทา่านสื่นนอ น, อนในช่วง24ชั่วโมงเขาเฉียรประมาณวา่าสมองมันทำงานก็อาจจะ แผนความคิดเกิดขึ้นถึงประมาณหกหมื่นพัตนต่อวันรวมทั้งคิดขณะที่ตื่นหรือว่าตอนนอนก็เรียกว่าตอนฝันหกหมืนครั้งเขาบอกอันนี้เฉลี่ยเเรียนนะ <c oughs> ก็สายตกระดูกจะเป็นมาก้อยต่างกันแต่ถ้ า, ถายี่สิบสี่ชั่วโมงเมันเท่าไหร่ตีตวนวัดยังไม่ได้ละ เเหมือนเจ็ดหมื่นกว่าวินาทีได้เจ็ดหมื่นสองพันวินาทีก็จะมื่นกอันวินาทีก็เฉล้่ยเกิดวินาทีละครั้งได้มันก็คือเหมือนถ้าเกิดสมองมันไม่ได้พักเขาคุนง่ายก็คือว่าถ้าเราอยู่กความคิดหรือว่าเราเกิดใจอะไรมันก็เหมือนสมองเราแทบไม่ได้พักเลย วินาเรียกว่าเกือบ90เปอร์เซ็นตะ์90เปอร์เซ็นของทุกวันเนี่ยได้ความคิดมีจิดเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ที่ได้ว่างแต่ความคิดบ้างแต่เราคงเห็นไม่ขนาดนั้นเนาะผมไม่เห็นมากถึงหกหมื่นครั้แต่เราก็จะรู้สึกเลยว่า วันนี้แต่รู้สึกไหมวันนี้คิดมากอันนี้ยังคิดมากทีจริงไม่ใช่วันนี้คิดมากวันเดียนนะก่อนนั้นก็คิดมากแต่ไม่รู้แจมันจะมีบางทีแต่บางวันอาจจะคิดน้อยก็ได้ก็อาจจะมีถ้าบางวันที่ไม่ได้มีการงานยุ่งเหยิงมากหรืว่า เรามีประมาธิในการทำบางอย่างก็อาจจะคิดน้อยลงนะเพราะว่าจิตเราอยู่กับการงานหรือถ้าคิดแก็ ค, คิดเรื่องการงานที่มันแต่รู้สึกไม่บางทีพอคิดแบบนีน้มันจะมีความบางอย่างที่มันใจจะเป็นแบบไห น, นเวลาคิดแล้วมันไม่ได้กระหนอนมันคืรู้สึกแบบไห น, น กักระส่ายอาการกระสับระสายเ ส, สียการอะไรดิ้นลงดิ้นลงดิ้นลงเป็นอาการเริ่มต้นของ <c oughs> ของการเสพติดอะไรบางอย่างรู้สึกไหมใครเคยติดอเคยติดอะไรบางอย่างเคยไหมใครเคยรู้สึกแบบกินกาแฟทุกวันแล้วลวันนี้ไม่ได้กินนะ รู้สึกไงกระสับกระส่ายแล้วนะเริ่มหาช่องทางเอกไปซื้อออกไปทีรานแล้วบมงทีก็รู้สึกมันไม่เิดที่ชื่นไม่สบายบางทีเราก็จะว่าคนที่เขาไติดเหล้าเริ่มไม่แล้วไม่เราไม่เห็นติดเลยบาคนที่เป็นคนติดเหล้านะมันก็มันต้องมีก็หน่อยมันร่างกามันก็กระสับกระส่ายถ้าติดหนัก จิตยาบ้าจิตในโรอิน ก, ก, ก็ยิ่งลงแดงไปใหญ่นักอันนี้ก็เหมือนกันนะมันแต่ทำให้เราเห็นว่าจิตมันกระสับกระสายขนาด น, นั้นเวลาที่ที่มันคิดเราไม่ได้สนองมัน <c oughs> บางทีปฏิบัติธรรมบงทีมันไปนรู้สึกใครเคยรู้สึกว่ายิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งครุ่นกว่าเก่า <laughs> นานโมทำไง ร, รู้สึกยังไงครับรู้สึกบางทีมันความหุดหงินหรือความคุณอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันมาทีมาเยอะแล้วก็มาแบบพอมาทีแล้วก็แบบกลายเป็นเราเลยอะไรเงี้ยเรากลายเป็นกลายคุณไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันเยอ ะ, ะตัน ความปฏิบัธรรมนะลิงกก็น่าจะเป็นแบบว่ามันคนกว่ามังครับคือมันเยอะกว่ามันมันเยอะนะมันไม่ได้หมายถึงจํานวนนะครับมันหมายถึงว่าแรงกดดันที่มันมีที่มันจะทํากับเรานะครับถราเราไม่ทำตามมันมันจะยิ่งมากดดันไงก็ก็มีนะเคยสังเกตไหมเวลา ที่ก็คือเบื้องต้นที่กินคือความอยากหรือถ้าเอาง่งแบบายๆเวลาเราอยากจะได้อะไรสักอย่างอยากจะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่หรืออยากจะได้กระเป๋าใบใหม่สังเกตในตอนที่มันยังไม่ได้ไมันจะรู้สึกยังไงกวนตก็วายนะติดตัด น, นะยิ่งถ้ามีคนบอกม่ให้ซื้อนี่ยิ่งมีคนหน้ามมันยิ่งแบบ ยิ่งเครียด ใ, ใหญ่ใช่ไหมฮะ ม, มันอันนี้ก็เหมือนตัวเองใช่ไหมเหมือนเราเราอยากเองแล้วเรก็ห้าตัวเองไม่ให้ไม่ให้ทำตามความอยากมันเลยยิ่งรู้สึกตึดขัดขึ้นข้างในบางทีมันก็เลยเหมือนสภาวะยิ่งปฏิบัติตรงไงมันยิ่งมันยิ่งทุกหนักนี่นะเหมือนจะก่อนยุ่งกัดก็ตตบยุ่งไม่เป็นไรเลยอืม พอปฏิบัติมัตสึปินะโอตบยุ้งก็ไม่ได้พูดเท็ก็ไม่ได้พูดเทอเจอก็ไม่ได้ยิ่งบางที่ใครเคยแบบเป็นปฏิบัติธรรมเขาให้ปิดวาจาปิดปากไหมปิดปากไหบางคนก็ไม่ยุดขากบางคนก็ไม่ปิดกพไม่อยากพูดกับใครหรอกเาไป นานๆไม่อยากคุยนะก็แล้วแต่นะบางคนก็พอปิดปัจจานานๆกับยิ่งชอบกอเ น, นี้ยนะรุดท้ายคือแรกัๆอัดๆตดนกลังๆก็อยู่ได้แต่บางคนก็เหมือนเก็บกดนะพอออกเสียงคอเขาพูดหน้าขเขาเสาร์ไมเหมือนเค่นไหมลวะแวะเราตื่น ใครเคยเข้าแบบคอร์สล้างคิดสมัยนี้มีคอร์สล้างคิดอดอาหารนะอดอาหารบางอย่างเยอะมากพอออกแต่พอร์ต้องอย่าไปกินได้เลยนะนั่นเหมือนเรากดโผงอะไรสักอย่างไปมันก็มันก็จะมันก็จะปปกระทุขึ้นมานะอจะทุบขึ้นแาเราก็ต้องระวังนะบางดีไปเราห้ามเช่นไม่ทำตามความอยาก มันแต่เราต้องคล้ายๆเหมือนแเราต้องมีรู้จักวิธีที่จะระบายความอยากนั้นทิ้งโดยที่มันไม่ทําให้เกิดทุกข์คล้ายๆเหมือนกับกระถางต้นไม้มันจะมีรูที่มันรั่วออกแต่ถ้ากระถางนั้นมันดูที่มันระบายน้ํามันมันปิดมันปันเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนเหมือนสะโนเนาะคือเวลามีอะไรเข้ามาก็ขังไว้ตรงนั้น เวลาเราไปรับอารมณ์หรือเปิดโคมอารมณ์เนี่ยมันไม่มีที่ระ บ, บายบาทีความคิดมันจะขุดขึ้นมาบ่อยความอยากเกิดขึ้นมากนะถ้าเราไม่มีที่ระ บ, บายมันจะมันเกิดขึ้นอ<ห>่ะฮะรู้แล้วก็จบเลย ไ, ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ไม่ต้องเป็นระบายใช่ <laughs> ถ้ารู้แล้วทิ้งได้เลยก็เหมือน ไม่มีอะไรก็เข้าผ่านเข้าผ่านเหมือนผ่านเลยเหมือนแม่น้ําไม่ต้องขั้นเลยปล่อยไหลเรื่อยถ้าทําแบบนี้ได้เราจะเห็นความคิดมันเหมือนใส่น้ํำบางคนพอเห็นความคิดเหมือนรู้สึกเหมือนใส่น้ําที่มันเหมือนจะแสที่มันผ่านผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยถ้าถ้าเห็นมันผ่านไปเรื่อยเนี่ยจะไม่ิแปลก แต่ท่านเมื่อไหร่ที่เราพยายามปีต่างมันพยายเวต้านพยายามปิดข่มมันจะเริ่มสื่อารละแต่บางทีมันก็เป็นเหมือนกระบวนการที่ให้จิตมันได้เรียนรู้บางทีมันก็ไม่ได้ว่าทีตอนที่มันยังไม่ค่อยเข้าใจมันก็คิดว่าปฏิบัติธรรมคือต้องต้านต้องห้ามต้องข่มอะไรนะแต่พอจิตมันมันมีความสุขกับกรรมฐานที่ทำอยู่ มันจะไม่สนใจตัวนั้นเอง <c oughs> อา จ, จะไม่สนใจตัวนั้นเองมันก็จะผ่านไปเหมือนกราเมื่อถ้าเรามีความสะุวการสร้างอารมอาจจะมีสิ่งที่มารอให้ดูแต่จิตไม่สนใจสิ่งที่ดูละเราสนใจสร้างสติอยู่เนะี่ยสิ่งที่ปรากฏต่อหน้ามันก็จะจิตไปองบา <c oughs> คนปฏิบัติธรรมแล้วไม่ข้าวก็ไม่อยากกินนะ คุยก็ไม่อยากคุยหรือว่าไม่ได้อยากจะมีอะไรมากมายมันจะมีความอยากานะมันจะลบดอกของมันอันนี้ก็ดีนะก็ก็ถูกหรือบางคนอาจจะเห็นเห็นคิดเด็กน้ำผุดขึ้นมาดอกต่อเยอะเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็หุบญหญินบเดี๋ยวก็รำคาญบางทีก็เห็นแบบนี้ก็ถูกเหมือนกันนะ แต่ก่อนเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นคนขี้หมุดหงิดที้ราคาญหรือแต่ก่อนเราคิดว่าเราก็สันโดดล่อมเพียงแต่บางทีก็อยากเล็ก เ, กเ็กน้อยนะ่ะอยนะบางทีมันก็จะผุดขึ้นมาให้เราได้เห็นนะก็ดีนะบางทีก็ก็ไม่ใช่ว่าผิดนะถ้าเราเห็นมันก็ถูกอนะืบางทีมันก็ไม่ บางทีเราไม่อยู่ในสถานการณ์ที่มันบังคับหรือว่าสถานการณ์บางอย่างัำให้เราไม่ได้เห็นชัดๆเนี่ยเราก็เลยไม่รู้มันนีย่ยที่ยกตัวอย่างบางคนพอให้ปิดวาจาจะจะเห็นเลยปะไอความรู้สึกอยากจะพูดเนี่ยมันเป็นแบบไห น, นถ้าตอนเราพูดปกติเราจะไม่รู้เคออยนหแบบเวลาคุยโทรศัตท์แล้วเราก็บางทีไอความรู้สึกเหมือนอยากจะ พูดนแทรกไม่อยากฟังแล้วอยากจะต่ออยากจะ็ดแส้อยากเดสอนอะไรนั้นะมันจะแทรกเข้ามาก่อนที่ที่การฟังจะจบประโยคหรือเราอ่านได้ทสักอย่างเนี่ยเมื่ออ่านเฟซบ o ๊กอ่านไลน์นะสมมติอ่านยังไม่ทันจะจบ แ, แต่รู้สึกว่าอยากเด็ดินอยากเด็ดเขีนแสดงความเข็นอยากจะอะไรไปละมันจะไม่ไม่ทัน นั้นเขาตีนะมันจะเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาบ้างก็ไม่ให้เราเห็นพวกนี้นะถ้าเราเห็นมันเราจะสะท้านตัวเองแล้วก็ลองดูดูมาเป็นเพียงแค่อากาศนะเหมือนเราไม่ได้ให้ท่านมันก็จะผ่านไปไม่ว่าสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่ไม่ชอบลองดูเป็นเพียงแค่อาการธรรมดามันก็จะผ่านผ่านผ่านไป มันจะเห็นการเกิดการดับของมันการเกิดขึ้นกนะารตั้งอยู่เราก็ดับไปแต่ก่อนอาจจะเรียกเป็นชื่ออันนี้เรียกว่าความโกดอันนี้เรียกว่าความโลภอันนี้เรียกว่าความหลงแต่บาทีพอสถิตยาเร็วมันแค่เหมือนตาไปดูหูไปฟังแต่โมไปได้กิน ลิ้นสัมผัสลบหรือว่ากายมันรู้สึกหรือว่าใจมันมันแร๊ดแร๊มันรู้สึกอะไรผุดผุดแร๊ดแร๊ดอะไรเมื่อกี้มันก็แค่แค่แค่แตกนะแค่แตกหรือว่าพูดขึ้นมามันก็พอทันมันก็มันก็จบไปไม่ทันเป็นเรียบเป็นตัดการไม่ทันเหมือนเป็นปฏิยาอะไรนะท่าภาษาแพทมันเขเรียกไงมันเป็น เซลล์ต้นกำเนิดนะเป็นเตจเซลล์ไม่ทันแบ่งเป็นเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเป็นเก็ดเลือดอะไรมันเป็นต้นกําเนิดที่ไม่ทันมันแยกไม่ออกว่าคืออะไรนะอันนี้ก็เหมือนกันความลองที่มันเป็นต้นกําเนิดแรกขึ้นมานะเป็นผัสสะที่มันเกิดขึ้นมามันก็จะมันก็จะพอเราทานนะมันก็ไม่แตกต่อไปเหมือนกับมาได้พัน ในไม่ได้ทันหนึ่งไม่ได้นี่ยมันก็แตกเป็นรากแตกเป็นลำต้นแตกเป็นใบตรงมันนะอันนี้แหละต้นกำเนิดของความหลงที่เราไม่รู้ทันที่มันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสคือจิตใจคิดนึกเนะี่ยถ้าเราไม่ทันตรงนี้นะมันก็จะเกิดเป็นโลกโกรธหลงขึ้นมาตัวตัวผัดสั หรือการกระทบเนี่ยนะเราลองฝึกใหม่การฝึกสติจะต่างจากการฝึกสมาธิตรงนี้นะเราไม่ติดผัดตาใช่ไหทําไมเราลืมตาเราเปิดหูหรือเราอยู่กับผู้คนก็ได้เพราะเราฝึกว่าพอตาเห็นรูปมันเห็นแล้วใจรู้สึกแบบไหนตรนนี้น่ะหูจะยินเสียงเสียงเพลงเพลงนี้เออชอ เส่ยงนี้ไม่ชอบอะไรนะเกิดความรู้สึกขึ้นมาให้เราเห็นนั้นวิธีฝึกสติคือแบบนั้นแต่ถ้าสมาธิเราพยายามที่จะปิดปิดการรับรู้เพราะว่าคิดว่าการรับรู้พวกนี้เสียงดังหรือตาเห็นมันจะทําให้เกิดกิเลสเราก็เลยพยายามปิดพยายามหนีนะมันก็เกิดสมาธิแต่จริงมันก็ยากนะ ถ้าไม่ไปอยู่ในห้องเก็บเสียงจริงๆนะถ้ายินเสียงหมดไม่ได้ยืนในป่าที่เงียบๆเนี่ ย, ยโอ้เสียงแม่แรงก็ต้องคานะถ้าจิตจะต้องคันอืมแต่ประเด็นบางทีเราอยู่ในการถนนนะบางทีเราก็ดันทำอะไรสนุกสนุนไม่ต้องคานเะนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งภายนอกอะไรแต่ถ้าเรารู้เท่าพันเนี่ย ม, มันจะไม่กระเทือนจิตใจนะ หน้าการศุกษาสติเนี่ยมันก็เลยบางทีก็ดูที่ผ่านาสตที่กระทบเราไปกระทบเข้าหรือเขามากระทบข้างในก็แล้วแต่นะก็ให้รู้เท่าทานนี่คือสติก็เกิดขึ้นได้นะเราจะเห็นเนะ่ะถิ่มแว๊บแบเข้ามาบางทีก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันถ้าเป็นอายตนะร้าอย่างก็แรกนะส่วนใหญ่ก็ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ไอตัวพี่พตัวใจเนี่ยบางทีก็ปฏิบัติบางทีก็คดีบางทีก็นาคมันดึงเข้าไปฟันกันจนหมดเลยนะบางทีเห็นไหมถ้าเราปฏิบัติตรงนี้นะไอรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆยไม่ค่อยมีอะไรยื่ยเยินใจเท่าไรเนาะอืมอันนี้ก็ขนาดสิ่งภายนอกที่เป็นสิ่งแวดล้อมพวนีน้ยังไม่ค่อยยั่ยเยินใจมันต่างจากเวลาก็เป็นห้า ต่างจากเราไปตลาดนะต่างจากเราไปเจอเพื่อนมันจะมีสิ่งกระทบเยอะแล้วเราก็จะชอบใจไม่ชอบใจเยอะนะเนี่ยคอยฝึกให้มันผ่านไปนี่แหละทำเท่าที่ได้แต่ถ้าเราอยู่แบบนี้มันก็จะดีบางอย่างพอมันไม่ผุดที่ปัจจุบันบางทีมันก็จะเอาเรื่องที่มันติดค้างในใจนะเนี่ย หรืบางทีมันก็จะฝุดบางอย่างที่มันเป็นนิสัยความชอบหรือความไม่ชอบในใจเราเมืนคนชอบคิดเรื่องงานก็จะก็จะฝุดเรื่องงานเมืนคนจิตใจดีคิดเป็นกุศลเนยากจะช่วยเพราะนั้นก็นดีจิตอาสาก็จะปรุงแต่เป็นโครงการเป็นกิจกรรมเป็นอะไรต่างๆเคน ไร้สาระจะคิดเรื่องไรส้สาระไปก็ไม่ก็แล้วแต่นะก็มันมันก็จะผุดขึ้นมาของมันโดยเยพาะบางทีมันก็บางทีมันก็ย้อนไปหากรรมเก่าที่เคยทำทำไม่ดีกับพ่อกับแม่กับเพื่อนกับครูกับอะไรมันก็กำเนิกผิดบ้าง น, นะกำเนิดผิดถ้าสติไม่ทันก็เสียใจ ปติทันก็แค่ควนึกคิดเตือนไว้ไม่ทําติดีนอืมเนี่ยบางทีมันก็เป็นแบบนี้นะตสแต่เราก็ให้มันทันมาตัวเนี่ยถ้าเป็นโครงการเป็นอะไรก็วางไว้ก่อนจะดีขนาดไหนก็วางไว้ก่อนนะเปลี่ยนอะไรจะดีไห ม, มเปลเ่็นเหมือนเหมือนกัน เ, เนาะใช่ไหมแต่ไม่เหมือนกันอืม เห็นทำนองเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะตัวเราองก็เหมือนกันนะแต่ละวันไม่เหมือนกันดูไปเลยนะแต่ละวันบางวันตื่นเช้าขึ้นมาก็โอ้ยขี้เกียจบางวันก็ตื่นขึ้นมาก็สดชื่นนีใช่ไหมบางทีเห็นหน้าแม่บางวันก็รักแม่บางวันก็ไม่อยากคุยเลยก็มีนะอืมันก็แล้วแต่เราดู ดูอไอ้เรที่มันความไม่เที่ยงจริงๆคือตัวเรานะ่ยไม่ใช่คนอกระตือเขาก็ไม่เที่ยงนั่นแหละนะแต่จริงใจเรานั่นแหละมันก็ไม่เที่ยงนะดูไปตือไปตอนนอนแบบนี้นแหละนะถ้าเราเข้าใจเนี่ยความไม่เที่ยงนะเราจะเข้าใจนะจิตใจมันจะเกิดความผ่อนคลาย น, น, นะหลวงพ่เขาเขียนให้พูเงี้นะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างน่ มาสรุปลงไปในความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นเลยสันมผนะขึ้นชื่อว่าสัมฐานมันไม่เที่ยงทั้งหมดสังขารคือการบุแซมมันไม่เที่ยงทั้งหมดนะแต่เราที่ว่าสัมผัสมันเที่ยงเนาะก็ดูดูแบบนั้นมีใครจะถามอะไรไหม นะ้ที่เดินจมกรมขึ้นลงไกลที่สุดขอาัดกันไปไหนเนื <c oughs> ่อถามได้พอดีก็ดีเดินกลับไปกลับมามันง่วงก็เดินขึ้นลงอะดรออกกําลังทานนะะบาไ ป, ปไปวิ่งมลวลา่อนได้ <c oughs> ในต้องหาอุบายอุบายบานทีมัง่วก็หาอุบายเดินบางทีก็ทํางานแต่บางทีก็ต้องลองฝึกไม่ทําอะไรบ้างก็มีบางทีมันทีเราเปลี่ยนอะไรเราเปลี่ยนเหแบบง่วงก็เปลี่ยนเร่งก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเลยมันไม่ได้ฝึกว่าอีเจ็ดที่ลองลองผมทําประมาณนิดนอดลอง ให้มันผ่านมัมนน่าจะทิ้แล้วมันก็จะได้ ก, กำลังแต่ที่เราเคยผ่านได้สัก ง, งแต่ตั้งต่อไปก็ผ่านได้นะแต่นอกจากท่ามันไม่ไหวจริงก็เอาเป็นอุบายเราไม่ใช่ยอมแพ้นะเราแค่ขอพักผ่อย น, นิดนึงแต่เดี๋ยวจะกลับมาตู่ใหม่กลับมานะมาลองอีกใหม่เมื่อทีก็แบบนั้นนะไม่ใช่ว่ามันจะรู้สึกไหมบางทีเราคือ อันนี้ไม่ได้หรอกก็จะไม่ได้แต่ลอดเลยถ้าใจรารู้สึกไม่ได้มนะันจะไม่ได้นะแต่อันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าไม่ได้เราฟองผักก่อนจะรอแล้วรอบหน้านะเสร็จทําไม่ได้ประมาณนะั้นแต่ถ้าใจเรารู้สึกมันไม่ได้มนะันไปไม่ผ่านสักทีแต่ถ้าเรารู้สึกทาได้อนะ่ะแต่แต่ขอไปต้อมก่อนขอไปซ้อมเดินขึ้นลงบันไดก่อนออืม <c oughs> <c oughs> ขอเคยเชื่ อ, อนิดนึงไปล้างหน้าก่อนนะเรี๋พื้ อ, อปเป็นหม่ครานี้ก็ได้นะ